คำนำชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระที่ท่านกําลังอ่านอยู่ขณะ น, นี้ผู้เขียนได้พยายามสอะแสวงหามารวบรวมตามกําลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุกยุคจนถึงวาระสุดท้ายแต่คงไม่ถูกต้องแม่นยํำตามประสงค์เท่าไหรนักเพราะท่านที่จดจํามาและผู้รวบรวม คงไม่อาจรู้และจาได้ทุกประโยคและทุกการสถานที่ที่ท่านเที่ยวจ้าริกบําเพลนและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกันถ้าจะรอให้จําได้หมดทุกแง่ทุกกระทงจึงจะนํามาลงก็นับวันจะลบเลือนและหลงลืมไปหมดคงไม่มีหวังได้นํามาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทํานองล้มลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้าง การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้นจะเขียนเป็นทํานองเกียจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตำราซึ่งแสดงไว้ต่างๆกันเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ธรรมะแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบตัติตามมาเป็นยุคยุคจนถึงสมัยปัจจุบัน หากไม่สมควรประการใดแม้จะเป็นความจริงดังที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านแต่ก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายเนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้างจึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนักหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหมายประสงค์ให้ทุกท่านที่มีศรัทธาเป็นเจ้าของด้วยกันพิมพ์เป็นธรรมทานได้ทุกโอกาส ไม่ต้องขออนุญาตอย่างใดส่วนจะพิมพ์เพื่อจําหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมาทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นต้นฉบับเพื่อเธอทูลพระศาสนาและครูอาจารย์ตามกําลังด้วยความบริสุทธิ์ใจขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและคุณท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของประวัติจงกําจัดภัยพิบัติสารพัดอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายขอให้มีแต่คุ ณ, ณธรรมที่พึงปรารถนา และความสุขกายสบายใจเพราะอำนาจแห่งบุญเป็นที่พึ่งพิงอิงแอบแนบเนื้อท่านไปตลอดสายอย่าได้มีวันเสริมคลายหายสูญจงสมบูรณ์ภูลผลไปด้วยสมบัติอันดุดมมงคลนานาประการตลอดวันย่างเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขทุกทักท่วหน้ากันเทินพระธรรมวิสุธทธิมงคลพระอาจารย์มหาบัวญาสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดพุทธศักราชสอง